สวัสดีขณะ น, นี้หลวงพ่ออยู่ที่แคนาดาเปิดหูเปิดตาหลายอย่างมองเห็นเขาทำงานทำถนนก็น่าอัศจรรย์ถนนยาวต่อยาวคนทำไม่ถึงยี่สิบคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้เครื่องมือทันสมัย ก็เป็นเรื่องที่น่าสจรรในเมื่อโ ล, โลกนี้มันมีการโลกาภิวัตคือว่ามีความเจริญแล้วก็สามารถสร้างความเจริญทุนเวลาจากก่อนได้เป็นอย่างดีเรามาคิดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงมา 2,500 กว่าปีมานี่ เราได้พัฒนามาเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ก่อนเคยเทสกันในกว่าจะเทปกันได้กว่าจะเอารูปเอาเสียงมาได้ก็ไม่มีในแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ทั้งเทปเสียงทั้งมีเสียงและทั้งมีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์พูดกันที่เมืองไทยก็ได้ยินถึงอเมริกาแคนาดา ผู้ที่แคนาดาก็ได้ยินถึงเมืองไทยความวิวัฒนาการของธรรมะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางแต่การที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้นั้นประสิทธิภาพเป็นเรื่องสําคัญพระภิกษุเป็นผู้นําแล้วก็จําเป็นที่จะต้องสร้าง ป ร, ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของพระภิกษุให้มีวิสัยทัศน์ที่มีความกว้างขวางไม่ได้งงคงเหมือนอย่างก่อนหรือว่าจะไปไหนก็ไม่กล้าขึ้นรถยนต์ไม่กล้าขึ้นหรือบินเดินไปก็ลองคิดดูซิว่าถ้าเดินเอาเนี่ตั้งแต่ประเทศไทยมาแคนดานี่เกียชีวิตมันถึงจะได้มาถึง แต่เดี๋ยวนี้แค่ลัดนิ้วมือเดียวไม่ช้าเท่านั้นก็ถึงแล้วก็สามารถมีเวล่มเวลามาแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในขณะนี้หลวงพ่อก็สอนสมาธิให้แก่เขาก็ได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งที่มันอัศจรรย์ก็คือว่าเมื่อมาอยู่เพียงหกเดือนแรกเมื่อมาอยู่หกเดือนแรกเนี่ย S <S <an> ก็มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมา จ, จ, จ้องจ้องมองมองแล้วก็เข้ามาสัมภาษณ์จนกระทั่งพาดหัวข่าวคนก็รู้กันมากก็พากันมาทําสมาธิกับหลวงพ่อมากขึ้นอันนี้ก็คือการวิวัฒนาการเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ดีโทรทัศน์ก็ดีมันก็เป็นการประกาศข่าวอย่างไรก็ตาม หลวงพ่อก็ต้องอธิบายถึงมงคลในข้อต่อไปที่ว่าคาระโวจะนิวะโตจะสองคำนี้มีความหมายอย่างไรเราพากันได้ยินพระกระสวดเวลาเราไปทำบุญบ้านเราก็ได้ยินพระรสวดมงคลละสูตรมาถึงคาระโวจะนิวะโตจะทำไมสองอย่างนี้จึงเป็นมงคล คาระวะนี่หมายถึงความเคารพบูชานับถือนิวโตจานั่นหมายถึงการนอกน้องทมตัวนี่สองอย่างนี้เป็นมงคลได้อย่างไรคือคนเรานั่นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีที่บูชาอะไรที่จะเป็นที่ยึดถือว่าเป็นที่พึ่งอย่างที่พวกเรานับถือพระพุทธศาสนา เราก็ยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พื่อนอ น, นี่คาราวะก็เรียกว่าเคารพพระพุทธเจ้าเค า, ารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์ท่านกล่าวว่าพุทธค า, ว า, าราวะารวะตาธรรมคารวาตาสัางฆ์คารวาตาตลอดจนกระทั่งอันดับต่อมาก็คือบิ ด, ดามารด า, าคือเคารพบิ ด, ดามารดา คนเราไม่ใช่เกิดมาจากโพรงไม้ไม่ใช่ว่าปั้นเอาเกิดมาได้แต่ว่าจะต้องมีบิตามาดาเป็นผู้ให้กำเนิดเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราพทธ เ, เจ้าจึงตรัสว่ า, าบุญคุณของบิดานั่นเปรียบด้วยแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ยังเปรียบไม่เท่าหรือว่าน้ำหนักเอากันว่าภูเขาทั้งลูกกี่ลูกก็ตามก็ยังไม่มีน้าหนักเท่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเคารพบูชาก็คือปิามารดาที่ท่านได้ตั้งไว้ว่าเป็นพระอระหันต์ของบุตรเทวปิดามารดาจะทํำยังไงเสียก็จะต้องมีความรับสุดหัวใจการรับบุตรนั้นถ้าคนก็ผู้ผู้ที่เป็นบุตรก็อาจจะไม่รู้ว่าปิดามารดารักเราแค่ไหนถึงแม้ว่าจะดุจะดา่าจะว่าจะตี แต่ก็ทาไปด้วยความเมตตาและกัลาเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านจึงถือว่าคาระโอจะนิวโตจะจะต้องเป็นผู้ที่เคารพจามันดาแล้วก็ให้อภัยท่านตลอดเวลาแล้วต่อไปก็คือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั่นท่านจะเป็นทู้ประจิตประสาทวิชาความรู้คือคนเราเนี่ยถ้าหากว่า ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเราก็ไม่รู้จะไปแสวงหาความรู้กันที่ไหนถ้าไม่มีโรงเรียนแล้วก็ไม่รู้จะไปแสวงหาความรู้ที่ไหนถ้าไม่มีผู้ที่เป็นอาจารย์ที่มีความรักใคร่และเป็นที่น่าเคารพ บ, บูชาแก่เราแล้วเราก็ไม่รู้เราจะไปยึดที่พึ่งที่ไหนบางทีเราก็อยากจะให้เป็นที่พึ่งแ ต, นนนแต่บางครูบางอาจารย์ก็ ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่เดียวก็มีถงไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำมงคลให้แก่ตนนั้นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปิดดาบันดาครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเปเป็นที่น่าเคารพบูชาและท่านผู้ใดก็ตามที่ให้คุณสมบัติเรีย ก, กว่า ให้วิชาวความรู้ที่เรายังไม่เคยรู้เราได้รู้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เราว่าเราจะตัดสรู้ได้เองพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสรู้ได้เองนอกนั่นก็จะต้องมีครูมีอาจารย์ทังนั้นก็เรียกว่าคาระวะจะคาระวะจะเคารพท่านทั้งหลายเหล่านี้แล้วทีนี้ก็ตรงกันข้ามถ้าหากว่าไม่เคารพ นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพนับถือบิดามารดาไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ไม่เคารพ <c oughs> ก็หมายความว่านับถือไปอยางไงอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังก็เรียกว่า ก, ก็ต้องกลับกลงกันข้ามคือไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลอันี้พระพุทธเจ้าได้แนะนำว่า การที่ไปยึดถือต้นไม้เปล่าไม้ภูเขาว่าเป็นที่พึ่งอันนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งที่งมงายเรียกว่างมงายบางทีก็ไปนับถือต้นไม้ใหญ่ๆว่ามีอะไรหรือไปนับถือก้อนหินใหญ่ๆว่ามีอะไรหรือไปนับถือในสิ่งอะไรต่างๆที่มันแปลกประหลาดออกมาอย่างนั้นน่ะ อันนั้นก็เรียกว่าอปามงคลไม่ใช่มงคลแล้วเพราะฉะนั้นการนับถือจึงต้องใช้สติและปัญญาตอจากนี้ก็คือการนิวาโตจกักนิวาโตจักคือการนอบน้อมการนอบน้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อบุคคลทั้งหลายเป็นอันมากบางคนนั้น ก็ยิงยะโสถือตัวถือ ต, ตนเมื่อยิงยะโสถือตัวถือ ต, ตนนั้นน่ะในที่สุดก็ได้รับผลก็คื อ, อ, อไม่ได้รับความเชื่อถือที่แน่ใจก็อาจจะเป็นหน้าไหว้หลังหลอกอะไรอย่างนั้นแต่การที่คนที่จะท่มตัวลงมาได้นั้น เ, เขาจะต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ย มันมีสภาพเสมอกันไม่ใช่ว่าใครว่าจะดีหรือว่าจะชั่วอะไรกว่ากันมีความเสมอกันคือว่ารับประทานแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายในที่สุดก็มีสภาพคือความตายเช่นเดียวกันเพระนาะฉะนั้นบุคคลที่ถือตัวญิงยัโสอะไรต่างๆนั้นจึงไม่เข้าท่า ท่านจึงเรียกว่าเป็นอปะมงคลในเรื่องเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องรู้จักในตัวของเราเองว่าเราสมควรที่จะปฏิบัติตัวไม่ให้เขาเรียกว่าหยิ่งยโสเกินไปหรือว่าไม่เคารพฐานะผู้ใหญ่อะไรผู้น้อยอะไรอย่างนี้คือคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ ประดับตัวและตัวของคนเนี่ยให้มีเกียรติยศหรือว่าให้มีคุณธรรมคือคนเหล่านี้จะดีกว่ากันนั้นมีอยู่ทางหนึ่งคือการทสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นการสร้างคุณธรรมนั้นที่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้าท่านมีพระมีคุณธรรมกราบไหว้พระธรรมมีคุณธรรมกราบไหว้พระสมมีคุณธรรม เรากลับไหว้พระพุทธเจ้าอารหังสมาสมพุทโธพระองค์เป็นผู้ไกลจากเกเลตเรากลับไหว้ไม่แช่กราบไหว้ที่ท่านที่มีกิเลสท่านที่ไม่มีกิเลสพระธรรมกลาบไหว้พระธรรมธรร ม, รมนัมมัสสามีพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วกราบไหว้พระสมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ก็เรียกว่าการที่จะแสดงออกทั้ ว, ว บุคคลที่จะมีความประเสริฐกว่ากันคือประเส ร, ริฐขึ้นมาด้วยคุณธรรมคุณธรรมนี่เป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้น เ, เราท่านทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงถึงมงคลสูตรนี่ต้องการที่จะพูดให้คนนีปฏิบัติตัวเพื่อความสามัคคีปฏิบัติตัวเพื่อความอยู่ด้วยกันด้วยความมีความสุข ถ้าหากว่าต่างคนต่างสร้างมงคลให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหมู่ชนนั้นก็เป็นหมู่ชนที่จะเกิดความสุขไม่ว่าจะเป็นคณะใดหมู่ใดสถาบันใดถ้าหากว่ามีมงคลแก่ตัวแล้วเนี่ยสถาบันนั้นหมู่นั่นคณะนั้นจะมีความสุขที่สุดเอตมังคัลมุตจะมัมงถือว่าเป็นมงคลอุดมสงสุดสวัสดี สัตว์